เอาหน้าอย่าซสีเรียกเรื่องไม่ยอมแพ้ใคร <S <S <S <S พ่อลูกคู่หนึ่งขึ้นชื่อเรื่องว่าไม่ยอมแพ้ใครวันหนึ่ง พ่จัดงานเลี้ยงที่บ้านจึงให้ลูกชายไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวมาทําครัวขณะที่ลูกชายเดินกลับบ้านพอขึ้นสะพานแคบก็มีชายคนหนึ่งเดินสวนมาทั้งสองต่างไม่ยอมให้ทางกันต่างอ้างว่าเดินขึ้นสะพานก่อนจึงสมควรต้องไปก่อนเถียงกันอยู่นานตกลงกันไม่ได้ จึงยืนขวางอยู่อย่างนั้นนานชั่วโมงส่วนพ่อรอไม่ไหวเพราะแขกมาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอาหารเลยจึงออกไปตามหาลูกถึงที่เกิดเหตุพอรู้เรื่องราวเข้าก็เดือดดาลและพูดกับลูกชายว่าลูกกลับไปทำอาหารเลี้ยงแขกก่อนส่วนพ่อจะยืนแทนที่ลูกเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบในสังคมปัจจุบันที่คนเรามักจะไม่ยอมกันในเรื่องต่างๆความจริงถ้ารู้จักยอมและให้อภัยกันสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นมาอีกมาก